ข้อที่27เรื่องผลมะม่วงในอดีตการในกรุงพาราณสีได้มีพระราชาพระนามว่ า, าทธิวานะพระโพธิสัตว์เป็นอาตย์ผู้อนุสา์อัด ร, รมของพระองค์ต่อมาวันหนึ่งพระราชารับสั่งให้ขึงขายณด้านเหนือและด้านใต้ในมหานทีแล้วทรงเล่นน้ำ มะม่วงสุกผลหนึ่งเป็นของบริโภคสำหรับเทวดาลอยมาจากสะมุมมนติดอยู่ที่ขายแล้วพวกเจ้าพนักงานยกขายขึ้นเห็นผลมะม่วงนั้นได้ทูนกล้าวถวายแด่พระราชาแล้วพระราชาตรัสถามพวกพรานว่านี้เป็นผลของอะไรทรงสดับว่าผลมะม่วงจึงเสวยแล้วรับสั่งให้เพาะเมล็ดไว้ ในพระอุทยานของพระองค์ให้รดด้วยน้ำผสมกับน้ำนมต้นงอกแล้วได้ผลผลในปีที่สต้นมะม่วงได้มีส ก, การะเป็นอันมากทวายานครย่อมรดด้วยน้ำผสมน้ำนมให้การเจิมห้าแห่งด้วยของหอมสวมพวงมาลัยตามประทีบด้วยน้ำมันหอมอันหนึ่ง ได้มีการวงต้นมะม่วงนั้นด้วยม่านผ้าผลทั้งหลายได้มีรสอร่อยมีสีดุดทองคําพระราชาเมื่อจะทรงส่งผลมะม่วงไปถวายพระราชาเหล่าอื่นรับสั่งให้เอาเงี้ยงกระเบนแทงที่หน่อ ง, งอกแล้วจึงส่งไปเมตที่พระราชาเหล่านั้นเสวยมะม่วงแล้วโปรดให้เพาะไว้ก็ไม่สำเร็จ ต่อมาพระราชาองค์หนึ่งทรงทราบเหตุจึงพระราชทานทรัพพันหนึ่งแล้วทรงส่งคนเฝ้าอุทยานคนหนึ่งไปด้วยรับสั่งว่าเธอจงไปจงยังรถแห่งผลมะม่วงของพระเจ้ า, าทัติวาหนาะให้เสียหายแล้วทําความเป็นของขมขืนข่นเขาทูกรับว่าดีละแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้ า, าทัติวาหนะ กราบทูลความที่ตนเป็นคนเฝ้าพระอุทยานแล้วพนันนาอนุภาพของตนพระราชารับสั่งให้เขาอยู่ในสำนักของคนเฝ้าพระอุทยานของพระองค์จอมเดิมแต่นั้นมาจนทั้งสองก็บำรุงพระอุทยานคนเฝ้าพระอุทยานผู้มาใหม่ทำดอกไม้อันไม่ใช่ฤดูการให้บานทำผลไม้อันไม่ใช่ฤดูการให้ผลผล ได้ทำพระราทยานให้เป็นรมณียสถานแล้วพระราชาทรงโปรดปรานจึงปลดคนเฝ้าพระราทยานคนเก่าออกแล้วได้พระราชทานพระราทยานแก่เขาผู้เดียวเขาจึงปลูกเสตยวและเถาบราเผชดล้อมต้นมะม่วงเสตยวและเถาบราเผชดก็เติบโตโดยลําดับรากและกิ่งของมะม่วงเกี่ยวพันกับรากและกิ่ ง, มงเมื่อไเปิด ของสะเดาและเถาบราพิษมงได้ปิดเพราะการระคนด้วยของมีรสไม่อร่อยนั้นมะม่วงซึ่งมีผลอร่อยเพียงนั้นจึงกลายเป็นขมมีรสคล้ายใบสะเดาคนเฝ้าเฝ้าทยานทราบว่าผลมะม่วงขมแล้วก็หนีไ ป, ปราชาเสด็จไปสู่เฝ้าทายานเสวยผลมะม่วงไม่อาจจะทรงกลืนเยื่อ ม, มะม่วงซึ่งเป็นดุจ จากเสดาได้ทรงขากถ่มเสียแล้วตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าบัณฑิตต้นไม้นี้ไม่มีความเสื่อมจากการบริหารเดิมแม้เมื่อเป็นอย่างนี้ผลของมันก็ยังกลับขมไปได้มีเหตุอะไรหนอแลพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อจะกราบทูลเหตุแห่งเรื่องนั้นจึงกราบทูลว่า